หลวงพ่อไม่ได้เข้าไปกราบองค์หลวงตานานแล้วเพราะตัวเองเป็นวัดถ้าว่าเข้าไปกราบท่านก็โดยมากจะเข้าไปกราบเป็นส่วนตัวกกใกล้ๆท่านทำไปพูดคุยหูของท่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลวงตาช่วงนี้แต่ตาของท่านดีมากนะเพราะตาของท่านไปใส่เลนตาใหม่มองไปที่ไหนนี่ต้ไม่ต้องใส่แว่นล้วงั้นเอะตาของท่านดีมากเลย ถ้าคนพวกเราเนี่ยตามมองไม่เห็นหท่านจับขึ้นมาท่านอ่านมองได้เลยลงตาแต่หูไม่ค่อยดีหูลมออกหูแต่หมอก็ก็บอกว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอเวลาเวลาหลวงพ่อเข้าไปแต่และครั้งเขาเข้าไปใกล้ท่านแล้วก็ต้องพูดให้ท่านได้ยินเสียงดังหลวงพ่อเขเลยคิดว่าถ้าตัวเองยังเป็นหวัดอยู่เดี๋ยวเอาวัดไปติดคนแก่ไม่ได้เรื่องนะเดี๋ยวเป็นบาปกล่อม ก็เลยไม่ค่อยไม่อยากจะเข้าไปกราบหลวงตาจนถึงอาการบาดของหลวงพ่อดีขึ้นเกือบว่าจะหายปกติเมื่อวานก็เลยเข้าไปการเข้าไปทุกครั้งเวลากระถิ่นเสร็จหลวงพ่อจะนําจะถูประจัยของวัดบางส่วนเพื่อจะให้จะนําไปให้หลวงตาถวายหลวงตาคือสรุปแล้วก็คือว่าวัดของเราก็เป็นวัด ลูกหลานของหลวงตาพวกเราในฐานะลูกหลานควรปฏิบัติบูชาด้วยอามิทชบูชาด้วยปฏิบัติบูชาก็คือปฏิบัติตามำคำคําสั่งสอนที่ท่านอบรมแนะนําสั่งสอนมาอันนี้ก็คือว่าเราปฏิบัติตามระแบบปฏิบัติบูชาอามิทชบูชาก็คือท่าเรามีจตุปัจจัยไปหลวงตาก็าท่านได้ใช้เกี่ยวกับสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์โลก อย่างเมื่อวานเะนี่ยท่านก็บอกว่าวันที่เราไปโรงพยาบาลอำเภอผูผานผูผานในระหว่างสกลนครกับกาลสินหลังเขาผูผานใกล้ๆกับพระราชพรราชนิเวศภูผานเป็นโรงพยาบาลโดยมากท่านจะไปสงเคาะโรงพยาบาลต่างๆจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ท่านจะไปตามวัดไปวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้าง องตาไม่ค่อยได้อยู่นะพอฉันยังหันเสร็จทั้งกมไปละขึ้นหนังรถนักกันนอนไปท่านบอกว่าแต่ละแต่ละครั้งเราไปเอาของไปลงโรงพยาบาลโดยมากพระท่านก็จะจัดใส่รถตู้พวกข้าวสารอาหารแห้งพวกน้ำตงน้ำตาลพวกของใช้อะไรที่โรงตาถ้าท่านจะเป็นพระถ้ท่านจัดใส่รถพอไปถึงโรงพยาบาลก็ เขารู้นะฮะมาขนลงขนลงจากหลวงตาหลวงตาก็จะให้โรงพยาบาลละสองหมื่นที่ไปเยี่ยมนะอันนี้ก็คือท่านบอกว่าที่มที่ท่านมาเยี่ยมโรงพยาบาลที่ไหนบอกว่าโรงพยาบาลเป็นนิสินที่เป็นนิสินก็เพราะว่าเวลาคนมาเยี่ยมป่วยมาส่งคนป่วยพอมาถึงโรงพยาบาลแล้วไม่มีอันจะกิน ไม่มีอันจะกินพอมาส่งแล้วจะกลับบ้านก็ไม่ได้ไม่มีเงินกลับจะเดินก็ไม่เดินก็ไม่ถึงรถก็ไม่มีแล้วเงินก็ไม่มีทางโรงพยาบาลเขาก็ได้เลี้ยงเลี้ยงข้าวเช้าข้าวเที่ยงก็เลยทำให้โรงพยาบาลเป็นหนี้ศีลเพราะเลี้ยงคนที่มาส่งคนไข้คือเขาจะเลี้ยงเป็นบางคนที่ไม่มี แต่ไม่มีกินเขาจะเลี้ยงมาหลวงตาท่านบอกเป็นหนี้สินเท่าไหร่จากนั้นนาท่านก็เลยว่าอืต่อไปนี่เราจะให้โรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลที่ยากจนเนี่ยแต่ละครั้งที่เราไปเราจะให้เดือนให้โรงพยาบาลละสองหมื่นอันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดของหลวงตาตั้งแต่บัดนั้นอันนี้หลวงตาก็ไปแว่าท่านก็บอกว่าเราให้โรงพยาบาลโรงละสองหมืนทุกแห่งอาทิตย์ คิดดูใช่ไหมเราไปทุกอาทิตย์เนี่ยก็คิดว่าเป็นเงินมากพอสมควรอยู่ตำ ไ, ไหมหรือเป็นอาทิตย์ละแสนแสนเศษะท่านก็ว่าอาทิตย์ละอันนี้ก็คือการสงเคราะห์นุเคราะห์จากนั้นท่านก็เมื่อวานนะพวกเราวัดของเราในนามวัดของเราออไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ได้บอกหมู่พวกเพื่อนแจ้งข่าวพอสมควรหมู่กอือ ปัจจัยวัดของเราเนี่ยน่าจะถวายองค์หลวงตานะทุกปีที่ผ่านมาพวกเราก็ถวายมากบ้างน้อยบ้างแต่ปีที่ปีนี้เราก็มีความจําเป็นจะต้องไปทําถนนที่วัดของคุณแม่ชีแก้วแล้วก็พร้อมกันก็สาลาพิมายกระจุกในในอยู่ในความคิดของเราแล้วก็ถนนในวัดอีกในถนนในวัดของเราอีกปีนี้เราถึงจะมีกระถินมาเราก็ได้วางแผนที่จะ สร้างทวัพยวัตถุอย่างที่ว่านี่นะถนนหนทางนี่นะสระลงสระเพราะฉะนั้นปีนี้พวกเรากรถินของพวกเราจะถวายองค์หลวงตาทําเป็นราบเพราะนั้นหลวงพ่อได้ทำรับไปถวายอง์หลวงตา น, นเมื่อวานนี่เพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะทั้งฝ่ายพระฝ่ายญาติโยมทุกท่า น, นอนุมโมทนาที่พวกเราได้ทําบุญกับองค์หลวงตา เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลสาหรับรัฐของเราลูกหลานของพวกเราทุกๆองค์ทุกๆ ท, ท, ท, ท่านทุกคนนั่นแนะไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่ออนะท้หลวงพ่อในนาำเป็นหัวหน้าก็นําเข้าไปถวายองค์หลวงตาเมื่อวานเป็นดาบอย่างนั้นไอ้ท่านโอ้ถวายมากเราก็จําเป็นได้ใช้ละเรื่องจิตุปัจจัยเราก็ได้สงเคราะห์อนุเคราะห์ อย่างที่เห็นๆนั่ น, นะบางทีรโรงพยาบาลลงหล่ำลงเรียนคนยากจนแต่ทองคำเนี่ยเอาเข้าคลังหลวงทั้งหมดแต่ส่วนดอลลาร์กับเงินเนี่ยเราก็เอามาช่วยสงเคราะห์คนในชาติที่เราเห็นเห็นว่าลำบากและเมื่อวานคุณต้อมชาเซิงเซาเขาทำบุญพ่อแม่พ่อตาแม่ยายเขา ก็ถวายทองหลวงพ่อมาสิบบาทเป็นแท่งทองแล้วก็ท่านเฉลิมเนี่ยลูกพี่ชายของหลวงพ่อเน่ยยังบวชอยู่เนี่ยที่มาบวชเนี่ยเขายังอยู่กขบอกผมอยากจะถวายทองหลวงตาเหลือเกินผมจะถวายสักสามบาทท่านอาจารย์หลวงอาเออเอาได้ก็เลยซื้อให้คุณปอให้คุณปอสั่งซื้อให้สามบาท โอ้สามบาทก็แพงนะสี่0มืนหนึ่งพันกว่าบาทนะสามบาทนะทองทองขึ้นแต่ปอบอกว่าทองกำลังลงแต่ลงไม่มากเนละเดี๋ยวนี้กำลังลงแต่ลงไม่มากเพราะน้ำมันมันลงนะแต่ถึงอย่างไงก็สามบาทนี่สี่มืนหนึ่งพันกว่าบาทเหมือนกันนอันนี้ก็คือเมื่อวานเป็นอันว่าหลวงพ่อได้ถวายปัจจัยขององค์หลวงตา ปัจจัยของวัดเราแล้วทองอีกสิบสามบทยี่สิบห้าสตังค์ยี่สิบห้าสตังค์โยมโค ร, ราชเขาถวายหลวงพอ่อในสลึงหนึ่งเหมือนนั่นทองสลึงหนึ่งกับเงินกับดอนล่าของโยมเ อ, อเมริกาและโยมที่ไหนอัตติอินโดนีเซียเลยไม่รู้นะไปอินโดนมากกว่ายี่สยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญดอนล่า เป็นนั้นว่าถาวายลงตาเมื่อวานเนะี่ยทองมีทั้งทองคํามีทั้งเงินบาทมีเต็มดอลล่าเหมือนกันก็เลยนั่งพูดคุยพันกับพูดนานนะหลวงตาเมื่อวานโดยมากหลวงพ่อไปหลวงพ่อจะไปตอนบ่ายบ่ท่านก็เดินย่องแย่งย่องแย่งตามภาษาผู้เเ่าอายุเก้าเก้าสิบสี่ปีกว่าเนกะ้าสิบสี่ปีเต็มเมื่อสิงสิบสองสิงหาจากสิบสองสิงหามา่กี่เดือนนะั้นย่างเขาก้าวสิบห้า ท่านก็บอกนะบอกน่าคิดนะอืเราในอายุเก้าสิบสี่ปีแล้วนะอายุปูนี้แล้วพร้อมที่จะตายได้ทุกครักงนะพร้อมที่จะตายในทุกโอกาสนะใกล้เ ต, นนะต เ, กลเต็มทนแล้วนะชีวิตของเราเนี่ยใกล้เต็มทนแล้วท่านพูดแบบไม่สะทกสะทานนะนี่แหละผู้มีธรรมอย่างนั้นแตท่านไม่ได้สะทกสะทานตายก็ตายอย่างนั้นเกิดมาตายลักษณะอย่างนั้นแต่ท่านมาพูดเมื่อวานก็เป็นสิ่งที่น่าคิด สำหรับพวกเราพวกพระการอยู่ร่วมกันท่านบอกว่าสมัยท่านออกทุดงท่านก็พูดเรื่องพระองค์นั้นองค์นี้แหละสมัยท่านเที่ยวก่อนนะพอท่านพูดนานเกือบเป็นชั่วโมงก็พูดกับหลวนะงพ่อเมื่อวานหลวงพ่อก็ขึ้นไปนั่งมีแต่นั่งฟังท่านพูดบางทีท่านก็ถามนั้นถามนี้ท่านก็ถามท่านก็พูดให้ฟังว่าสมัยเราเที่ยวทุดงนะ่ะพระองค์นั้นนะ่ะที่เป็นมูเพื่อน่ะ แต่หลวงพ่อไม่เอ่ยชื่อว่าังนะไปอยู่ด้วยกันที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านไปเที่ยวทุดงด้วยกันสามองค์กันเราสลดสังเวชใจไม่ลืมประทังทุกวันนี้ที่ทำให้ถูกมันเรื่องการขี้ตนีทีเหนียวไม่อยู่ในหัวใจเราเลยนะมีอะไรมันก็ต้องช่วยแบ่งกันอยู่แบ่งกันกิน เพรามึงของมันน้อยอะอันเนี้ยมึงใช่ไหมของน้อยของมันมากอยู่พอจะทั่วถึงกันได้แต่กินต่อหน้าต่อตาเรา เ, เราไม่เคยพูดให้ใครฟังนั่นนี่นะว่ะเนี่ยพูดให้ท่านฟังนะ่คงจะให้หลวงพ่อเป็นแนวความคิดมัง้งเนี่ยท่านเราเพิ่งพูดเนะี่ยให้ข้าฟังแต่เราไม่ค่อยพูดแต่เราก็ไม่เคยได้ยินจริงๆนะคํานี่นะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอยู่ลูกกับหลวงตาทั้งสิบกว่าปีไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะได้ยินเมนื่อวาน ท่านบอกว่าท่านไปเที่ยวทุดงด้วยการสามองค์ที่อำเภอศรีสงครามทีนี้ท่านตอนเช้ามาเขาเอากกปีมาถ้วยหนึ่งวันกันท่านว่าท่านก็แบกมืออย่างนี้ด้วยนะไม่ใช่น้อยนะท่านผ่านหนึ่ ง, งถ้วยเราก็เคยอยู่ทั้งกรุงเทพแล้วก็มาเห็นกะปีอยู่ที่นครพนมกะปีน้ํา้ำพริกเนาะท่านบอกโอ้เราไม่เคยเห็นกะปีเว้ยมาแถบนี้ห่อเพิ่งมาเห็นกะปีแถวนี้เองเนาะ มันเห็นแต่ปลาลาว่างั้นเถิดท่านเห็นองค์ปบีมามันมาได้ยังไงวะอืมต่านก็คิดว่าท่านท่านก็จะตักแจกหมู่พวกมีโยทธกรรมสามองค์นั่งเลียงกันแต่นั้นท่านก็นท่านก็ดูเดี๋ยวท่านก็จะตักใส่บาดเลยมีพระองค์หนึ่งที่อยู่เพื่อนๆกันอายุเดี๋ยวนี้ก็อายุเก้าสิบสามแล้วงั้ น, นเถ อ, อะเรียนไล่เลียงกันเป็นหมูกัน พอองนั้นบอกว่าที่ไหนไ อ, อมาแย้งเอาจากมือท่านไปเหมนกันพอแย่งเอามือไปเทพวดลงใสบาดตัวเองเหมือนกันเทพวดลงเสบาดตัวเองชั้นคนเดียวนั้นทั้งที่มีอยู่ด้วยกันสามองอมันก็เทือนใจเราอย่างมากเลยท่านว่าน่ะมันอยู่ด้วยกันทแท้ๆทําไมมันก็น่าจะทั่วถึงกันอยู่สามองแต่ทําไมก็ปิไม่กัดไม่กัดไส่ก็ไม่รู้มันก็มากอยู่เหมือนน เอออันนี้คือหลงตาพูดเมื่อวานเนี่ยท่านการพูดถ้าความปักใจจริงๆนะดูซิสมัยเที่ยวทวดหลวงยังเป็นพระน้อยพระหนุ่มยังจําไม่ลืมกระทั่งทุกวันนี้เพราะนั้นพวกพระของเราคงเหมือนกันเนี่ยพูดให้ฟังไม่ใช่หลวงพ่อพูดในเสาศาลาฟังนะพูดให้พระในพวกเราในนั่งด้วยกันนี่แหละการจะทําสิ่งใดก็ตามทะเลาะวิวาดกันนะ่ะมันปักใจนะเอ่อทำสิ่งไหนมันไม่ถูกมันปักใจลึกนะเพราะนั้นสิ่งใดก็ตาม อย่าให้มันผิดข้องมองใจกันดีที่สุดเพราะงั้นเถอะขนาดองค์หลวงตาท่านหมดกิเลสแล้ว น, นะท่านหมดกิเลสแล้วท่านไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวนกับใครองค์ไหนทั้งหมดแต่ว่าเรื่องการกระทําอย่างนั้นน่ะมันกระเทือนใจของท่านอย่างมากนะเออท่านมาพูดเมื่อวานเนี่ยท่านพูดแบบจริงจังอีกต่างหากนะอายุเก้าสิบกว่าปีหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่ออู้เสะอึกเหมือนกันเพราะงั้นเถอะเออ ไม่ใช่ธรรมดาอันนี้คือเป็นบทเรียนการอยู่ด้วยกันการอยู่ด้วยกันมันต้องเฉลือเผือแพร่ต้องแบ่งกันมีอะไรก็แบ่งกันอยู่กันกินนะถ้าพ้นพอมันจะทั่วถึงนะเว้นเสียแต่มันจะไม่ทั่วถึงก็อีกอย่างหนึ่งอยู่อย่างนั้นก็อาหารก็น้อยอีกต่างหากนะอาหารก็ไม่มากก็คงจะไม่อาหารไม่กี่อย่างใครๆก็กระปิตน้ำพริกถ้วยนั้นก็ใครๆก็มองจากคงจะฉันนะ่ะ เออพ้ที่ถูกก็เลยไม่แบ่งให้หมูฉันเลยทั้งที่พอจะทั่วถึงกันได้อยู่พรนั่งกันด้วยกันสามองค์เท่านั้นมันก็น่าคิดเหมือนกันนะเนี่ยหลวงพ่อได้ฟังที่หลวงตาพูดเมื่อวันหลวงพ่อได้ยินก็นอ ม, มันถูกคําของหลวงตานะท่านเนี่ยมันกระเทือนใจเราคิดมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเนี้ก็ยังกระเทือนใจเราอยู่มันทําไม่ถูกเราไม่เคยเนีโลภโหโมกันนะเรื่องอาโหงอาหารมีอะไรเราก็แบง่งหมูแบ่งเพื่อน จริงๆนะหลวงตาน่มีอะไรท่านแป่กจริงๆอย่างที่ท่านใดมาจะตุกปัจจัยน่งท่านบอกว่าเราไม่เคยเก็บไว้นะเราก็เคยเฉลือเผื่อแพร่ส่งข้ออนุข้อไปเนี่ยอันนี้ก็คือที่ท่านพูดเมื่อวา น, นและอีกอย่างหนึ่งพอจากนั้นท่านก็ถามาพระมีมากเท่าไหร่ในวัดโอ้ก้ของผมก็จำไม่ได้ เมื่อกี้นี่ถามว่ามันสาสิบข้ององค์แล้วยังไงเนี่ยล่ะครับผมประมาณสามสิบหรือยี่สิบแปดยิบเาวหรือสามสิบเนี่ยล่ะครับผมเป็นไงพระตั้งใจภาวนาอยู่ทุกทุกองค์ใช่ไหมถ้าเราจะตอบว่าโอ้บางองค์ก็ขี้เกียจอยู่กับผมก็จะว่วอย่างเงี้ยคือจักจะเกินไปว่างั้นเเราก็เลยบอกกรับผมก็เห็นก็ตั้งใจยดดีอยู่กับผมหลวงพ่อก็ไหวงั้นนะ พอตอบเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไม่สบายใจอีกบางองค์อาจจะมีขี้เกียจอยู่มั้งหลวงพ่อจะมาคิดที่ทหลังอีกเพราะฉะนั้นให้ถามพวกเราดูนะที่นั่งอยู่ที่นี่ขี้เกียจหรือเปล่าเออพระตั้งใจภาวนาดีอยู่น ะ, ะถ้าหลวงพ่อตอบอยางงั้นแสดงว่าตอบถูกพวกเราขยันภาวนาทุกองค์งันเถอะถ้าบางองค์ขี้เกียจกินแล้วนอนกินแล้วนอนไม่ภาวนาเนี่ยอหลวงพ่อหลวงพ่อตอบผิดทํางนนะานวันเมื่อวาตอบให้หลวงตางหมนกันะ่ะ พุ่นนะลงตายังให้ความสนใจอยู่นะทุกศิษย์ลูกหาลูกหลานนะให้ออกตั้งอกตั้งใจภาวนานะเป็นไงพระที่อยู่ด้วยตั้งใจภาวนาดีอยู่นะนะก็ผมก็เห็นว่าเห็นแล้วก็ตั้งอกตั้งใจดีอยู่กับผมพอตอบเสร็จแล้วหลวงพ่อก็จะมาคิดในใจลูกน้องของเราลูกศิษย์ของเราเนี่ยวัดของเราเนี่ยตั้งอกตั้งใจจริงหรือเปล่านะถ้าจะบอกอบางองค์ก็คงจะ ยังไงก็ไม่รู้นะขี้เกียจกันถึงยังไงยังไงกัน เ, เป็นการเล่นลิ้นว่นงันอะแต่ต่อบพรองค์หลวงตาเงั้นแหะเพราะว่าท่านจริงจังเลยหลวงตาเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะหลวงตา ย, ยังเป็นห่วงพวกเราอยู่นะให้ตั้ง อ, อกตั้งใจนะภาวนาเดินโยงกรมนั่งสมาธิภาวนาอย่าให้ขาดตกบกพร่องการสร้างคุณงามความดีให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัย ให้เคร่งคัดในหลักธรรมี่ไนให้ตรวจตราดูตนเองอยู่เสมอแล้วก็พร้อมการอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นการอยู่ด้วยกันมันกระเทือนนะกระเทือนใจกันถ้ากระเทือนใจกันมันเข้ากันไม่ได้ถึงจะล้มจะตายไปแล้วก็ยังแก่ขนาดไห น, นก็ยังกระเทือนใจกันอยู่นะเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆองนะไปอยู่นะสถานที่ใดทินใดตลอดถึงศรัทธาญาติโยมนะสิ่งไหนที่มัน จะกระเทือนหมู่พวกเพื่อนคิดขึ้นมาแล้วอก็ไม่ควรจะพูดออกไม่ควรจะกระทําออกไปถ้ากระทําออกไปแล้วมันให้ปักใจมันทําให้กินใจกันลึกๆกว่างั้นแต่หลวงพ่อเองเออาหารการบริโภคนหลวงพ่อกัอนลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันแต่เว้นเสียแต่ว่าของที่มันน้อยมากเกือบมันพอจะทั่วถึงไหมล้วก็แบ่งให้ทั่วถึงทํามันน้อยเกอือบ อ, องคไหนจะฉันก็ฉันจะ้ะ เออองไหนมีชั้นก็ชั้นจ้ะแต่หลวงพ่อก็บอกเอ้าถ้ามีของอาหารเสริมมาหลวงพ่อก็จะโดยมากจะให้ผู้สูงอายุเอาผู้สูงอายุกินก่อน เ, อเพื่อกินแล้วจะได้ตายไปพอาะรีบกินก็รีบตายเพราะอายุแกแล้วพวกน้อยพวกหนุ่มกินทีหลังก็ได้เขาจะใหญ่ไปข้างหน้าอยู่หลว ง, ง, นะ ง, ง, งพ่อก็ว่างันนะแต่บางครั้งหลวงพ่อก็บอกเออ พวกน้อยพวกหนุ่มมันเพิ่งมาเกิดใหม่ไว้มันยังไม่เคยกินอย่างนี้ให้มันกินก่อนซะหลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นแหละงั้นแหละสรุปแล้วก็คือเรื่องอาหารการบริโภคถ้าเป็นไปได้ก็โทั่วถึงสัพเพสัตตาอาหารฤทธิการในพระบรมีสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารสัพเพสัตตาอาหารฤทธิการสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารเพราะนั้นอาหาร ถ้าเป็นไปได้หลวงพ่อให้แจกให้ทั่วถึงกันแต่ถึงยังไงวัดของเราก็ยังว่ามีอยู่มีกินไม่อดไม่หยากไม่ถึงกับพิถีพิถันถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าสมัยนั้นยุคสมัยนั้นก็นอย่างที่หลวงตาแล้วก็ไปเที่ยวทุง่งโดยกันในป่าสามองค์กําลังพระกําลังอยู่กําลังฉันนะอายุสามสิบกว่าปีนหลวงตาก็ประมาณนะั้นสามสิบกว่าปีไปก็ไปทําอย่างนั้นขึ้นมา หลวงตาแลือกระเทือนใจเนแนวมาพูดให้หลวงพ่อฟังเมื่อวานหลวงพ่อก็เลยมาพูดให้พวกเราเป็นการศึกษางั้นมันเป็นแนวความคิดเป็นเป็นข้อคิดให้พวกเราได้ศึกษาวันนี่ยคําในใจเนี่ยมันกินไปนานนะมันกินใจกันไปนานเพราะนั้นการอยู่ด้วยกันสิ่งไหนที่มันจะทะเลาะวิวาทกันสิ่งไหนที่ฟังไปแล้วมันไม่รื่นหูจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันเข้าใจผิดกันน่ะ เราก็ควรจะสัมรวมระวังเว้นเสียแต่ว่าองค์นั้นมันเหลือทนจริงๆเอทําไม่ถูกต้องถึงยังไงยังไงแตกหา ก, ก็แตกหักเออแปลว่าอยู่คนเราฟากกันเลยงั้นเถอะออย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งนะหลวงพ่อก็เหมือนกันนะถ้าหลวงพ่อเนี่ยถ้าหากว่าดูแล้วพระองค์นี้ไม่ได้เรื่องไม่อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยหลวงพ่อจะบอกไม่ได้นะอืมต้องอยู่คนเราฟากกันนะเอถ้าทําอย่างนี้ไม่ได้ ครบกันไม่ได้หลวงพ่อจะบอกชัดเจนเลยนะเหมือนกับหลวงพ่อบอกวันนี้นะองค์ไหนก็ตามเหมือนเหมือนเอา ว, เ ว, วัยวะของผมเหมือนกับแข้งขาตีนมือของผมหมู่พวกเพื่อนทุกองค์ญาติโยมทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่ามันมันไม่ดีอย่างขาของผมเลยอย่างเท้าของผมเลยผมลักแสนลักเพราะผมเกิดมากับเท้าใช้มันมาตลอด แต่ว่าเท้าของผมเป็นมะเร็ง น, นี่ผมตัดทิ้งนะผมจะไม่วางไว้ใกล้ๆนะผมไปฝังไว้ไกลๆเลยเนะพราะเหตุหอะไรเพราะมันเสียแล้วเพราะมันเสียแล้วตัดตัดทิ้งก็ต้องไปทิ้งไว้ฝังไว้ไกลๆผมก็คิงไม่ไจะทำยังไงได้เพราะมันเสียแล้วเราจะเลือกถึงบุญคุณเออบุญคุณกดมันมีอยู่แล้วแต่เราได้ใช้มันได้ใช้ตีนของเราแต่ถึงยังไงมันเสียแล้วจะทำยังไง ก็ต้องไปฝังไว้ไกลๆถึงจะรักยังไงก็ต้องไปฝังไว้ไกลเพราะเหตุอะไรเพราะมันเสียอันนี้ก็เหมือนกันนะหมูพวกเพื่อนทุกองค์ถ้าวัดเสียหายขึ้นมาแล้วมันเข้ากันไม่ได้นะอถึงจะรักยังไงมันก็เข้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆองค์ต้องยึดหลักทำไว้ไหนยึดหลักทำไว้ไหนนะเป็นหลักอย่าให้คว้ขว ย, ย่าะให้อ่อนปวกเปียก ไปตามกระแสของคนชั่วมั้นเลยคนชั่วเนี่ยถึงยังไงมันก็เข้ากันไม่ติดเหมือนน้ํากับน้ํามันอย่างงั้นน่ะเอ่อมันเข้ากันไม่ติดแต่ถ้าว่าอืมคนดีละเออนั่นน่ะนมเหมือนกับนมกับน้ำเน่ะเฮ้นมกับน้ําเทลงไปเนี่ยคนใส่กันเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยอย่านั้นมกับน้ํานะเอ่อแต่น้ํากับน้ํามันเนี่ยมันเข้ากันไม่ติดคนยังไงมันก็ไม่เข้ากันเพราะมันเป็นคนละส่วนกัน มันคนละมิติกันเป็นคนละเรื่องกันดีกับชั่วงันมันคนเราฟากกันเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนะี่ยเป็นแนวความคิดเออเป็นแนวความคิดแต่บางคนของผมท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่าจะปล่อยป่าละเลยน่าจะยืดจุนเออน่าจะเอาทำเอาไปนาะเอาตาไปไร่ไม่ได้เลยอถ้าหลักธรรมคาสั่งสอนของพระเจ้านี่ ใช่ก็งั้นพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องยืดจุนน่ะสิให้อภัยพระเทวทัตพระพุทธเจ้าหมดกิเลสเนี่ยไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วเนยทําไมจึงไม่ยืดยุนให้เทวทัตเนี่ยเทวทัตทำไงอ้ายืดจุนท่านไม่ว่างนะท่านตัดขาดเลยงั้นเถอะเฮ้เทวทัตประกาศเออไปลงอโบสถไม่ร่วมสังฆกรรมเราตั้งแต่บัดนี้ไปเทวทัตจะไม่เห็นหน้าเราเนี่ยจะไม่เห็นหน้าเรา จะไม่เห็นละจะไม่เห็นมาจะไม่คบกับเราอีกจะไม่เห็นหน้าเราอีกผลที่สุดพระเทวทัตก็กระอากเลือดป่วยเอ่ที่กรุงราชคือก็หามมาเพื่อจะมากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้พูดให้พระสงฆ์อย่างนั้นฟังแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระสงฆ์ก็เข้ามากราบทูลพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เขากําลังหามเทวทัตมาครับผมหามใส่ใส่เปมาใส่นั้นมา หามาทําไมมากราบให้รพหระพุทธองค์เอาโห o ีให้เอาโห o ีกรรมให้รพระพุทธองค์บอกว่าถึงเทวทัตจะมาก็ไม่เห็นหน้าเราเพราะวันนั้นะที่เทวทัตประกาศว่าจะไม่ร่วมอุโบสถสังฆ ก, กรรมอจะแตกแยกแยกวงสงฆ์ออกไปตั้งแต่บัดนั้น่ะเทวทัตจะไม่เห็นหน้าเราอีก ไม่ใช่พระเทวทัตกําลังหามเขามาใกล้แล้วนะพระเจ้าค่ะถึงจะใกล้ก็ไม่เห็นผลในสุดมาถึงวัดมาถึงหน้าวัดป่าเชตะวันแล้วก็ผมเดี๋ยวนี้เทวทัตกําลังมาถึงหน้าวัดป่าเชตตวันแล้วก็ผมถึงจะมาถึงหน้าวัดเชตะวันก็ไม่เห็นเราพระพุทธองค์พูดพระยู่ถึงขนาดนั้นผลในสุดพอพวกหามทเท ว, วทัตมาก็เหนื่อยใช่ไหมก่ อ, อ น, น, นพอพที่เท ว, วทัตจะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้า่ะ พวกเราควรจะวางเทวทัตเอาเตียงเทวทัตเอาไว้นี่ก่อนวางไว้ก่อนให้วางไว้แต่แค่ก่อนแล้วพวกเราลงไปอาบน้ำที่สะหน้าโบกหน้าวัดซะก่อนแล้วเราจึงค่อยหามเทวทัตเข้าไปเทวทัตเดินไม่ได้เนี่ยจากนั้นเทวทัตเห็นพวกพระลงไปอาบน้ำไปอาบน้ำล้างเหงื่อล้าง ใครเจ้าก่อนให้สะอาดเจก่อนเดีจะขึ้นมาแล้วก็ถามเทวทัตต่อฮะเทวทัตนั่งอยู่ในเตียงอะไรย่อนขาลงไปเออลงไปแต่แคทท่ที่นั่งอยู่เลยพอย่อนลงไปแผ่นดินแยกเลยงั้นเด่ะแผ่นดินแยกเทวทัตก็ตกลงไปอแผ่นดินดูดตรงนั้นเด่ะแผ่นดินดูดแยกแลงมาเทวทัตก็ลงไปพอลงไป แต่นี่ถึงคอนถึงคอทั้งตัวเองเลยแปลว่าดินมันดูดลงไปแล้วแค่คอเทวทัตก็โอ้ข้าพราเจ้าเห็นโทษเห็นโทษที่พระพุทธเจ้ามีแต่พระคุณทั้งนั้นผมก็มีแต่พยาบาทอาฆาตอยู่ตลอดไปล่ำเวลาก็ผมขออโหสิขอพระองค์จงโปรดประทานอโหสิให้ข้าพระองค์ด้วย ข้าข้าพระเจ้าข้าพระองค์นี่ยไม่มีสิ่งไหนที่จะกราบกราบขอเอาขากรรไกรคือคลางคางเหมือนกันเลคือขากรรไกรคางนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าพระรับประสงค์ด้วยเทินอโหสิให้ข้าพระองค์ด้วยเทินหพอคิดเท่านั้นน่ะสํานึกผิดมากเลยสำนึกผิดอย่างแรงเหมือนกันเออไม่มีสิ่งไหนที่จะไม่มีหารดอกไม้ทูบเทียนก็ไม่มีใช่ไหมเออที่จะเป็นอมิบูชา ก็เลยเอาขากันไกลตัวเองเนี่ยนึกเอาขากันไกลข้าพระองค์เอาขากันไกลบูชาเอีขอพระองค์อโอ้โหสีให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดคือเอาขากันไกลเป็นดอกไม้ทูบเทียนเหมือนกนเะจากนั้นแผ่นดินก็แยกฟกลงไปเนีะ่ะเทวทัศเลยตกลงอาเวจีมหา น, านารกอกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นมาก็ตกหลายร้อยหลายพันปีเพราะผูกอาฆาต พยาบาทของพระพุทธเจ้าจา้ า, างนายขมังธันโมไปยิงจ้างช้างนาลาคิริงไปเหยียบพระพุทธเจ้ากลรีดหินจากภูเขาลงมาแล้วก็ยุยงพระสงฆ์ให้แตกกันไปว่าเทวทัตทํากรรมหนักๆทั้งนั้นว่างั้นเถอะเพราะนั้นเทวทัตก็เลยได้ใช้กลัมถ้าจะว่าดีไหมโอ้ก็ดีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะไม่ต้องได้ฝังได้เผาเทวทัตยากเหมือนกัน แผ่นดินสูบแล้วก็จบไปเลยอยู่ในพื้นดินก็ดีไปเหมือนกันนะแต่ใครจะไปเรียนนะเรียนเทวดาทั้งนั้นนะถึงจะถึงจะไม่ถึงจะไม่ได้ผังฝังในเผาก็เถอะนะมันไม่ดีเตรงนั้นเถอะมันลงมุดลงไปในแผน่นดินเหตรงนั้นแต่วิญญาณน่ะไปตกอยู่ในเอเวจีมาหานรกนะ่ะนี่แหละคือกรรมชั่วกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้น ย่อมเผ า, าผ่านเมื่อภายหลังเนีเพราะการทําไปแล้วเนี่ยนะมันเดือดร้อนตัวเองเมื่อภายหลังควรจ ะ, จะทําควรทําแต่กรรมดีเท่านั้นนะถ้าทํากรรมดีเราลึกขึ้นราลึกขึ้นมาเมื่อไหร่เราจิตใจ ข, ของเราก็เบิกบานสบาย อ, อกสบายใจแต่ถ้าเราทํากรรมชั่วแล้วนะนึกขึ้นมาเมื่อไหร่จิตใจอับเฉานะเพราะนั้นเอาต้องเอาชนะกิเลสให้ได้ใ น, ในใจของเราอย่าไปทไําในสิ่งที่มันไม่ดี อย่าไปพูดในสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปคิดในสิ่งที่มันไม่ดีนะทั้งคิดทั้งทำทั้งพูดด้วยต้องการกรองใช้หลักธรรมความสั่งสอนใช้ธรรมะเข้ามาเป็นกระจกเงาอยู่เสมอพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจตลอดไปน <c oughs> ะวันนี้วันนี้หลวงพ่อได้ให้แนวความคิดแก่พวกเราท่านทั้งหลายตั้งแต่ เราได้ถวายเจตุปั จ, จัยองค์หลวงตาเพื่อสงเคราะห์ประเทศชาติสงเคราะห์โลกว่า ง, งั้นแหละที่ท่านจะสงเคราะห์โรงพยาบาลอะไรก็ตามก็ตามอัธยาสัยขององค์หลวงตานนี้ก็คือเป็นอมิจับูชาของพวกเราท่นทั้งหลายให้หลวงตาสงเคราะห์โลกเพราะนั้นบุญกุศลที่พวกเราเดงทําบุญทําทาน เ, าเมื่อวานนี้ในครั้งนี้นะให้พวกเรา ตั้งกิจอธิษฐานเอาเนะ่อวันใดอยากจะพ้นทุกนายวัฏสงสารมีอะไรก็ให้พวกเราตั้งกิจอธิษฐานที่เทํทาบุญทำทานกับองลงตานะเอารับพร อ, อนุโมทนาให้พร